รงไปร่วงไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้มันแจกฟีๆไปงั้นเลยใช้มันเจ็บมันตายไปฟรีๆรอวันนั้นมาถึงเราเท่านั้นหรืออะไรที่มันจะวิเศษที่มันดีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจแก่เราเราก็ต้องนี่แหละมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจะมีสติทุกเมื่อแม่จุราจะตามไม่ทัน พระพุทธเจ้าสอนพระโอกราดแล้วก็ได้ยินแล้วนำมาปฏิบัติหรือไม่อันสิ่งที่พระบุตรองพระเจ้าจาราเราทรงสองสนนั้นมีสักขีพยานม่หลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัยสิ่งไหนทำได้เป็นสัจธรรมสิ่งไหนทำมาได้ไม่เป็นสัจธรรมเป็นสมมติบปญญอตาปล่อยมันไปนั้นเลือกได้ชีวิตของเหาเนี่ย วันหนึ่งนาทีหนึ่งเราจึออางไงเราจะปล่อยให้เหตุปัจจัยต่างๆมาครอบงายับยีเรามันก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราพวกเรามีโอกาสมากเป็นนักบวชอยู่วัดวาารามก็มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงงานโดยตรงของพวกเราจะไปทํามันดื้อแม้ทํามาดื้อเกิเช่าขึ้นมา ทีสามทีสี่พากันลูกมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไปบินธบาดเตรียมสถานที่พกที่ฉันบินธบัดบินธบัดเวลาครบรายฉันร่างบาดกับปฏิของตนอะไรที่มันเป็นปตัวสติกับการใช้ชีวิตเราเน่ยเราทำได้เราก็ทำได้เหตุปัจจัยอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับการกังใจเราเอามันมาใช้ประโยชน์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 ไม่ดีก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไม่ต้องเลือกง่ายเลยอะไรจะมาเรามีหลักของเราแล้วมีสติแล้วมีหลักฐานมั่นคงไม่รู้มีนามมีอายตนะภายนอกภายในมีผัสัการเห็นมีความหลงมีความรู้ไม่ใช่เราโง่เราจะต้องรู้ มันมีอะไรเกิดขึ้นมาตัวลูกเป็นเลด้าตรวจสอบแล้วก็เลด้าตาข่ายในประเทศท้องกันประเทศแต่ที่ต้องฟ้าน่ยมันมีตาข่ายมันดางแหทุกตารางนิ้วระหว่างประเทศเขาก็ตรวจสอบอะไรที่มันเข้ากายเข้ามาสติของเราเนี่ยมันปานนั่นแหละปลอดภัยถึงกับตรวจสอบ จะไปทุก uh, ไปโกรธไปโลภไปหลงไปผิดไปถูกได้ไง seeing, us, มันจะเห็นเพราเรามีเราผูกขาดปลาแล้วถ้าไม่หัดมันก็พัดไปแล้วก็ลล่คุ้มดีผูผูแผกแผลเหมือนโจบไม่มีลากลอยไปตามน้ำพัดไปทางไหนก็ไหลไปไม่ดีก็พัดไ ป, ไปทุกทิศทุกทางชีวิตของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้มันมั่นคง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 แล้วมีสิ่งที่ใช่แล้วมีตัวรู้มีความรู้สึกตัวเอามาใช้เอากายมาใช้ให้มันเจริญงอกงามในเรื่องนี้จึงมีวิชากรรมฐานซึ่งมาสอบคร้องกับการใช้ชีวิตของพวกเราไปจนทำหมมันมนุษย์สมบัติแก้วสารปัดดึกชีวิตของเรานะี่ไม่มีท่วมไม่มีแรงไม่มีอานาจมาทาให้กายใจเราที่มันจะเป็นประอื่นได้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 จึงมั่นใจอย่างมากเลยการแลกความชั่วกันทำความดีการทำให้ทุกข์แม้ทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องทุกข์หลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหลงโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องโกรธิทธิความเป็นธรรมหาได้ในกายในใจหาได้ในตัวเราไมไปเศร้าหมองทําไมไปร้องไห้ทําไมไปวิตกกังวลทําไมจึงต้องไปบี่เปียดเียนตนทําไมจึงต้องเบียดเบียนคนอื่นมันมีประโยชน์บ้าง ทำตัวเราอย่างเดียวมีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่ประชาชาติทั้งผมนี่และผมหน้าจะเป็นผมนี่ผมหน้าก็คือคการกระทำของเราผู้ที่ไม่รู้ชัดแจ้งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยมีวิธีทําบนอุทิศจากนั่นจากนี้เปิดเครื่องขยายซึ่งเงินเส้นทองข้าวา ว, าวัวข้าวก๋วยมัก็หลงไปเชวนคนอื่นให้หลงก็มี ถ้าทำถูกไม่ต้องยากขนาดนั้นทำมูลเทสในกันต่อเมื่อตายไปแล้วยังมีชีวิตยอยู่ไม่ค่อยทำให้กันเลยทำให้กันหรือทำเก่าให้มันมีอยู่ทุกคนเนะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใัยบุญกุศลจากคนอื่นงั้นมีแล้วตอนหลวงพ่อใจจะขาดสั่งจันสมหายสั่ง อาจารย์ตุม้มสัง่งอาจารย์นุตสังอาจารย์อเนกอย่ามาซักบางสุกุลนะตายคนเวลาตายมาซักบางสุกุลอนิจาวสังฆาลาเห็นจบหลวงพ่อนั่งอยู่นอนอยูอ่ไม่ต้องนะ้ะแม่แต่เผาเขอยากไปแต่งหมุดอะไรบางที่เขาแต่งหุ่นใส่เป็นหญิงเขาผ้าถุงไปให้เสื้อไปให้ใส่ ทำตาเอาเงินบาทไปทำตาทำจมูกทำทุกส่วนอวัยวะต่างๆอนั่นอย่าไปทำเรามันสูงกว่าด้านแล้วคนก็ยังไม่รู้เลยน่าจะรู้กันทุกคนแล้วบุญคืออะไรบาปคืออะไรกุศลมันคืออะไรศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาคืออย่างไรพระพุทธเจ้าคืออย่างไรพระธรรมคืออย่างไรพระสงฆ์คืออยไร แล้วก็ว่ากันทุกวันตอบได้ทุกวันรูปคบอยู่ทุกวันแต่มันไม่มีในใจเราทำไมจึงไม่มีเพราะเราไม่ทำให้มันมีไม่ได้น้อมมาไม่ได้นำมาปฏิบัติเกิดพุทธะมันเกิดได้ไงไม่มีพุทธะมันมีอะไรเหตุปใจเลยต้องรู้ชีวิตของเราไม่รู้พุทธะไม่รู้พัะพุทธธรรมประสงค์มันไม่ได้หรอกไม่รูุ้ณรูปแบบไม่ได้ไม่รู้ศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้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 อะไรต่างๆภายนอกผุดที่ความชอบธรรมให้มันเกิดแกรเราเกิดเจกิญคนอื่นอย่าเบียดเบีนตนอย่าบีเาบเบีนคนอื่นตอนนั้นไอ้ผัวต้องไปสอนเนียเขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบีย น, นคนอื่นจึงมีเรื่องเดียวเท่านี้ชีวิตเราเรื่องมาดูตัวเองมาช่วยตัวเองมารักษาตัวเองมามีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรมัตรของเรา ไม่มีใครรู้เท่ากับเรามันหลงเรารู้มันรู้เรารู้มันถูกมันทุกเรารู้ต้องรู้อย่างนี้อ่นรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวโลกโลกไปศึกษาพระวันต่างๆอันนั้นก็ใช่แต่ปัญญาที่เป็นพุทธะจริงๆมันต้องรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเรารอบรู้ตรงนี้เป็นหมื่นสี่พันอย่างที่เกิดขึ้นจากการจาิตใจเราเนะี่ยแล้วก็ เป็นผลกระทบตัวเราไม่พอเป็นมนผลกระทบภายนอกไปอีกถ้าเราไม่รู้นะไม่น่าจะทํากันได้แล้วคนในโลกเนะ่ถ้ามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเห็นข่าราวีกันลบลาข้าฟันกันแจ้งชิงกันเบียดเบียนกันจนไม่มีอะไรที่จะปกติได้ไปจึงสวยกันเถอะพวกเราเนาะช่วยกันเถอะอย่าปฏิเสธอย่าทอดทิ้งกัน อาจารย์ก็สอนเราก็สอนถึงเวดล้อมก็สอนเราธรรมาชาติสอนเราตลอดเวลาอาจารย์ก็สอนเราโดยเราก็สอนเราอย่าปฏิเสธจัดสรรเปลี่ยนแปลงสิ่งล่ายเป็นดีแต่พฤต่พืพ้นไปอย่าไปปล่อยปะละเลยอะไรพอช่วยกันได้ดูอะไรเห็นอะไร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 เมื่ออยู่วัดดีไปอยู่บ้านไม่ดีอุย้ยมันไม่ใช่หรอกยิ่งดีใหญ่ยิ่งเห็นอะไรยิ่งดีใหญ่เห็นอะไรที่มันเป็นปัายิ่งดีใหญ่มันยิ่งสูงมันน้ํา ม, มันอันตรอยเหนือน้ําตลอดเวลาเอานา้ําใส่เท่าไหร่หน้ําลึกหนึ่งนิ้ว น, มม น, น, น, น้ํน า, ม, ม, า ม, มันก็เหนือน้ำหนึ่งนิ้วน้ําลึกสิบเมตรน้ำมันก็เหนือน้ำสิบเมตรอไม่จม อันสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เสียหา ย, ยไม่เสื่อมไม่มีความเสื่อมเลยถ้าเราเห็นแจ้งในเรื่องชีวิตจริงๆนะไม่เสื่อมเป็นนมธรเป็นงมรรคผลที่ผ่านให้เกิดไม่เจ็บไม่เจบ ไ, ไม่ตายกับใครนี่เป็นสมบัติของเราแท้ๆใส่ใจสักหน่อยผลขวยสักหน่อยนีย่เราทำมาเรื่องก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้ จะมาเชื่อจะมาไม่เชื่อก็พูดที่ก็พูดเรื่องของตัวเราของตัวทุกคนถ้าเชื่อก็เชื่อตัวเราถ้าไม่เชื่อก็ปฏิเสธตัวเราเราหลงก็ไปเฉื่อยความรู้ก็ไม่เป็นไรเราหลงไม่ไปเฉื่อยความรู้ความรู้มันแค่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเราเราทุกเรารู้สึกตัวเราเปลี่ยนวามทุกข์เป็นความรู้เป็นเรื่องของเรา เมื่อเวลาเราทุกข์เราไม่มีความรู้จักตัวเราไม่เปลี่ยนความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์ไอค้ความทุกข์ย่ำยีก็ไม่เป็นไรเป็นตัวของท่านเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตทุกท่านทุกคนเพราะนั้นเราเลือกได้เองเนี่ยหัดตัวเองซะถ้ามีความรู้มันก็จะเห็นความหลงตรงกันข้ามเลือกได้สัมผัสได้ ไม่มีใครเป็นเรื่องออความหลงถ้ามีความรู้ถ้าความรู้มีมันเกิดความทุกข์ไม่มีใครแปลความทุกข์เพราะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสะสมเรื่องนี้ไว้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขุโขปณิเจ้าจะโยผู้สะสมซึ่งความรู้เป็นความสุขในโลกผู้สะสมความหลงก็เป็นความทุกข์